เอาละโอภพาพรไส้ใสแล้ววันนี้พระอาจารย์จะเทศน้อยยาวนะเพราะจะเก็บแรงไว้เทศที่วัด น, นะมาปีก่อนนวดเจออาหารเท็นเทศไม่ไหวหมดสภาพแต่ก็เป็นธรรมดาเลยเป็นดาราก็เกิดอย่างนี้แหละพักผ่อนน้อยวันนี้ก็เลยจะเก็บอะไรงไว้พูดที่วัดก็ อยากให้ธรรมะพวกเราไว้ตั้งๆจากข้อหนอึ่งการที่คนคนหนึ่งจะมีชีวิตที่มีคุณค่าขึ้นมาได้นั้นเราดูที่ไหนดูที่ว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรคนเราเมื่อเกิดมาแล้วแลวเมื่อตายไปแล้วจะมีคนประเมินเราสองประเทศประเทศหนึ่งตายแล้วคนเล่าอีกประเทศหนึ่งตายแล้วคนลืม ตายแล้วคนเล่ามาถึงคนที่มีคุณงามความดีเกิดมาแล้วฝากคุณงามความดีไว้ให้โลกมากมายมันหลวงพ่อคูนเอาเล่ะตายแล้วคนเล่าก็คือคนเล่าถึงแต่ความชั่วความเลวขนาดตายแล้วคนยังบ่นว่ามันน่าจะตายเร็วกว่า น, นี้เห็นมไหมและเวลาที่เราไปงานศพ ย, ยงเคยสังเกตว่าทำไมในงานศพต้งใช้ไม้กันทร เป็นกินริยธรรมว่ า, าอตอนเป็นคนเราต้องทำตัวให้หอมเมื่อคุณงามความดีทำให้หอมก็ต้องใช้ไม้จันทร์บางคนใช้ไม้จันบน ป, ป่าก็ไม่หอมเห็นไหมฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อเราลงับดับขันโอกจะประเมินเราเป็นคนสองประเภทหนึ่งเราจะเป็นคนที่มีคนเล่าเยอะแยะมากมายถึงคุณงามความดีแต่สองเราจะมีคนลืม ท, ทันทีที่โลกลับดับขันไปทันทีนกบหน้าคนก็ลืมละ เราจะเป็นคนประเทศไหนให้คนเล่าหรือคนอางานความดีหรือให้คนลืมไปเลยที่ปีตาเราได้เป็นนะักสือและคนใหญ่หลวงพ่อพคุณหลวงพ่อพคุณนะั้นเป็นพระธรรมดามากสื่อหลายฉบับเรียกหลวงพ่อพคุณวนะ่าพระบรรพระอย่างสมภาพแต่อาจารย์รมหาปราโมทเป็นพระลูกกรุงนะเป็นพระลูกกรุง <c oughs> เป็นพระที่มีมากเ <c oughs> ข้าพระเท่านางได้ เขวัตเขวังได้ออกทีดีได้แต่หล่งก่คูณนั่นเป็นพระ ท, ที่โอ้โหนั่งกระยมสูนกูหรรอพูดมึงกูตลอดแต่ไม่มีใครถือในประเทศไทยนี้คนอย่างนี้มีสามคนหนึ่งหลวงพ่อคูณกูมึอใครก็ได้ในประเทศนี้ไม่มีใครกนด้วยข้อหอและคนถูกเคาะยินดีเรดาเห็นหน้าทันและผพวกกักระเป๋าไม่ได้ไม่เคอะ นอนไม่หลับสองอาจารย์ค mm hmm. รเบด้วยคำรรยายเน่์ศิลปินผู้สร้างบ้านนำว่าภาพแล้วไม่รู้จะตีราคาให้ภาพเพินเงินเลยประดังเราเช็ฝปากให้เสียงจะไปนอนคิดหนึ่งคืนไม่สามารถเขียนได้เพราะภาพเกิดแ่งมากตีผพิเงินไม่ได้อันนี้อาการย์ใครก็ขาด่านนี้จารย์ยใครก้พวิจารณ์สามฉลอมชัยกฤชนิทธ mm hmm. อันนี้ก็เหมือนกัน อยา ก, กดาใครก็ด่าอย่างนี้จะใครก็นี้จยเมื่อวานอรรมภาพไปวัดรุ่นคนยกณะไปตายแปดิคนและเมื่อวานเป็นบันดรกที่แกประกาศขึ้นค่าเข้าชมวัรุ่นห้าสิบาทาการออกทางโทรทันภน์ พ, พอธรรมภาพไปถึงแจกกำลังต่ามันกูได้จอยรบมานอยู่เพราะฝรั่งเระไปด่าแกว่าขึ้นหาพ่ออะไรทุกครั้มาไม่ขึ้นเอาทัวร์มาแล้วก็ดาทอ ด่าแรงมากไอ้ไอไอ้พ่ อ, ไอไมืองไทยฝรั่งมันก็ยิ้มกันมากเลยทำไมบริษุทกิจอาจารย์ไม่โดนไม่โดนด่าละทำไมเขาไม่เข้าใจฝรั่งไม่รู้เรื่องว่าด่ายิ้มตลอด <S <S สามคนเนี้ยคือมีบุคลิกที่เด็ดภาษาพาได้่ีปาป ร, ปรมุดแปลว่าพ้นบุญพ้นบาปไม่มีใครถือการที่จะเป็นคนพ น, นบุญ น, นบาปไม่มีใครถือไม่ใช่จูจูก็เป็นได้ ต้องเป็นคนที่เกิดมาแล้วทับคุณให้กับอันเดินหลวงพ่อคุณพระดีศีสารเราเป็นคนอนึ่งเหมนท่านเป็นพระบ้านบ้านพวกจาก็ภาษาพุกลบามเป็นพระเกจิทําเพ่คําสอนก็ไม่ปลงกใจธรรมดาแต่ทํำไมคนเคารพรักนับถือมากวมื่อท่านลงรับกับขันคนแห่กันมาทั้งบ้านทั้งเมืองรายการโทรทัศน์ทุกช่องทุกสถานี คือสิทธัพย์ทั้งหมดโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเจาะชิงว่าประวัติท่านรายงานไม่ได้น้อยไปกว่าเช้ามานที่แบบการใี้ลูกสา ม, ามัญชนคนธรรมดาขึ้นมาถึงฐานะจนี้ได้มันพิเศษจริงๆอะไรสาใา้ท่านพิเศษคำตอบคือท่านเป็นพระผู้ให้อาจารมาทานสนใจเสมอเวลามีปรากฏการอย่างนี้สกิดขก็จึงเป็นศึกษาชีวประวัติท่านทุกท่านทุคุณตอนยังมีชีวิตบริจากมากกว่าหันล้านบาท มีนักการเดือคนไหนทําได้ขนาดนี้บ้างรวยวกว่าหรือุกข์กวไม่เพียงแต่ไม่บริจาคเทโกงอีกแต่ท่านเนี่ยให้เดียวเลยถ้ามีตัวสิทธิส่วนตัวว่ายิ่งเอามันยิ่งอดที่งให้ทั้งหมดมันยิ่งได้เนี่ยคาสอนพื้นืๆแต่กี่คนจะทําได้ยิ่งเอามันยี่งอดยิ่งให้ทั้งหมดมันยิ่งได้เพราะนั้ น, น, น, ใมม น, นให้หมดเนือหมดตัวแล้วที่คนต้องเคารพท่านศรัทธาท่านคนเงินมาให้ท่าน เอาแบงค์แพงๆมาให้ท่านจะไม่เอาถ้านจีเอาเฉพาะเงค์ที่ราคาถูกที่สุดที่เหลือให้ลูกจีบนำไปทําทุนคนมาให้เบอรขวาท่านก็ส่ออกเบอซ้ายคนมาให้เบอรซ้ายท่านก็บริจาคเือขวาเป็นอย่างนี้มาตลอดให้ให้ใ ห, ให้ให้ออกไปนี่มองเผินๆเหมือนเราจะเสียอะไรมากมายนะแต่อย่าคิดให้ดีนะจริงๆได้เลยอท่านมีเงินร้อยๆแต่ท่านไม่เคยบริจาคเลยเนะี่ยท่านไม่เป็นที่รู้จักเลยนะ ไม่มีก ค, คนรักหน้าผิวท่านเลยนะไม่มีใครให้เกียรติเลยนะมีร้อยล้านเนะี่ยนอนตากพกอยู่ที่บ้านเลยไม่มีใครสนใจท่านเลยนะแต่ท่านมีห้าหมื่นอ้าวเป็นเจ้าภาพที่วัดสร้อยห้องสมุดหนึ่งหมืนบาทเนะี่ท่านเดินเข้าวัดท่านแอคอาได้เลยนะมยไม่เ่าเลยเป็นเจ้าภาพนะยิ่งให่มากเห็นไหมฉะนั้นเรามีเงินเราต้องรู้จักใช้เงินให้เป็นบางคนนั้นบอกว่ า, า, วากูจะใช้เงินไม่ให้เงินมันใช้กู ครูจะใช้เงินซกซกซกให้มนทำประโยชน์จนเงินมันร้องไห้กับครูไม่ให้เงินมาขี่คอนี่คือคนฉลาดและทางสุดท้ายของท่านคืออะไรตอนมรณภาพประกายสลักร่างตายเป็นครูใหญ่ให้คณะแพะทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่เนเห็นไหมยังนี่ปัญญาของพรามปัญหาทำได้ขนาดนี้ ค น, นยิ่งเคารบรล้ว่าโอ้เรื่องยอดคนแล้วไม่ธรรมดาแล้วฉะนั้นเราท่านทั้ไหลายเราพิจารณาให้ดีนะเราทุกคนนี้ทำอย่างท่านได้หรือไม่เราเป็นผู้ให้ได้หรือไม่ถ้าอยากเป็นที่รักไม่ยากเลยนะเป็นผู้ให้อยากเป็นที่ชาวก็ไม่ยากก็เห็นแก่ตัวที่มือเหนือมีพระรูปหนึ่ง นคนละาผู้คนครูบาศิษย์วิจัยเสียไปเกือบร้อยปีแล้วไม่มีใครลืมท่านเลยทำเหรียนท่านตั้งแต่เท่าเด็กก้อยจนสูงใหญ่เกินตระศิษย์กันมีทุกอดทุ ก, ท ก, นนกอย่งเหมือนกันท่านตายกันไปหลวงผู่ทวดย่อมไปศึกษาด้ยเถะิะครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้นทุกรูปทุกองค์เนี่ยเป็นนักให้ตัวยงทั้งนั้นเลยนีน รับเพื่อให้ได้เพื่อใจเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราทัา้งหลายอยากเป็นคนที่อยู่ที่ไหนใครๆก็รุมรับอยากเป็นคนที่เกิดมาแล้วชาตหนึ่งไม่เสียชาติเกิดให้เลือกยืนอยู่ฝั่งของการเปิดผู้ให้อยากเป็นเลือกยืนอยู่ฝั่งของการเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัววันหนึ่งจะไม่มีตัวให้เหนเพราะคนจะอยามเป็นทิศแคล จริงอยู่คนเห็นกตัวอาจจะกองโดยอาจจะกงเงินอาจจะรวบเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเข้าเนื้อเข้าตัวได้หมดดูเหมือนว่าเขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่คนเห็นแก่ตัวจะไม่ได้เลยเขาจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจคนไม่มีทางคนที่ไห้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดูเหมือนจะสูญเสียเย็บเยี่ยมมากมายแต่สุดท้ายเขาจะได้สิ่งที่ดีที่สุดได้เข้าไปอยู่ในหัวใจคน เมูเดมาเป็นลูกวบ้าเป็นหลานชาวแต่เมื่อเมื่อองรับดไปมีคนปั้นรูปทั่วแผ่นดิมาบนไปบริการไเจอพระรักไร้ขทุกคนแตยุโวมก็ไเจอพระรักอุจาทุกคนก็ไมแน่ใจกันนการศรัทธาต้อไร้โรกันเพราะท่านเป็นพระผู้ให้ทีนี้ทำอย่างไรเราถึงจะเป็นผู้ให้มันก็ต้องเกเนะคนไม่เคยเกิดเนี่ย การเดียวก็เสียดายเนียแต่คนเคยฝึกในการให้ให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเพรามันเยอะให้แล้วให้อีกเดี๋ยวนี้ด้วยให้แม่ขวก็ให้เดยนี้ด้วยแต่คนไม่เคยให้เนี่ยหนึ่งบาทสิบบาทยี่สิบบาททั้งนนกันตามไปตกไปตีกันไปด่าทอกันปืนไปยิงกันเพราะอะไรเพราะเงินแต่คนไม่เคยให้เลยให้จนจิน ให้เยอะๆให้เป็นร้านก็รู้สึกเหมือนยันธรรมดายอยู่ให้ได้เรื่อยเรยเราต้องปลุกตื่ให้เป็นผู้ที่ให้ได้เรื่อยเรยเวลายอมไม่ทันทำไปต้องปวดนะรู้ไหมยกชิดแบบตเป็นสายบุญปางคนก็ตรวจลงแก้วก็ไม่สะใจคออนยะอาสมาปตรวจข้างนอกตรวจลงพืงน้นดินแต่มาถามว่าทําไมนุมมันจะได้ถึงข้างล่างทำยัีไงกันโรคหัวเราะ ถ้ามาันดนั้นต่อเสาเข็งก็ต้องเจอจริงๆกายปวดน้ำเนี่ยหมายความอะไรไม่ได้หมายความว่าให้คุนเนี่ยมันไหลเป็นสารนรกหมายความว่าเวลาที่คุณปวดน้ำให้คุณนั้นละความจรณีของคุณหมดจิตหมดใจเหมือนเท น, น้ำออกจากแก้วไปเหลือสักหยดให้หมดใจเหมือนน้ำไหลหมดแก้วนี่ทบาบุญทมาแล้วต้องให้อย่างนี้ถึงจะเป็นปัญจาช อันตามีเรื่องของคนประเนี่ีเหนี่ยวอยู่คนหนึ่งจะเล่าให้ปะ่ะมีคุณนายอยู่คนหนึ่งรวยมหาศาลคุณนายคนนี้ก็ทำธุรกจริจสารพัดเป็นเจ้าของตลาดสดออกเงินกู้วันๆในชีวิตนี้แต่เดินไปเก็บเลยแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตต่อไลฟ์ดูละครน้นเน่าระหว่างวันไปเงอนหาง่ายแต่เข้มสุด คณนายคนนี้ที่บ้านจะไม่มเดือดเยือไม่เยือกเยนปล า, ากับข้าวเลยใครทำอะไรมาวางเต็มลุกแต่สลัดพั่วเต็มหมดเต็มขนาดนี้คนนายคนนี้มีลูกน้องเจ้าคนเป็นชาวเขานะทุกคนตอนนี้รับช า, าวเขานทุกคนมาทำงานที่ที่ร้านที่บ้านคณนายบอกว่าทุกคนจะได้เงินเดือนคนละเก้าพัรห้าบาทนะ ทุกคนเลยก้าพันห้านแต่จ่ายจริงสามพันห้าปีก็สามพันห้าวันหนึ่งเจ้าเขารวมตัวกันประท้วงถ้ า, า เ, เราที่ไปประโวงที่พุทธมณฑลจะไปล็อคอคุณนะก็ซากันไปแล้วก็ขอขึ้นเดือนเดือนคุณนายทำไมเดือนเดือนพวกเรา5ปีแล้วได้สามพันห้า ไม่เหมือนตอนที่พวกเรามาสมัครงานแล้วคุณนายแบบใน 9,005 ทุกคนคุณนายได้รอยอย่างนี้ก็ชักยอะอะไรพวกกฉันให้ทุกคนเนี่ย 9,005 มาโดยตลอด3 0 0เนี่ยฉันจ่ายเป็นเงินสดสดเห็นไหมพวกแกได้เงินสดสดอะ่ะมันดีไหมและที่เหลือล่ะครับคุณนายก็บอกว่าฉันก็บวกไปแล้วไม่หายหมจบรลย ก็แกนอนบ้านฉันมทุกวันนี้คิดสิคิดสิมีใครไม่ได้นอนในบ้านฉันบ้างเาข่าวหันไปมองกลับแล้วลแล้วจริงก็ทงาน้ว่นี่ก็นอนที่นี่มีใครกินข้าวบ้านฉันมอียันไปมองหน้าลังหลักจริมีใครดูลหลังขาวบ้านฉันบ้างยกมือยกข เด็กชาใช้โทรศัพท์ยกมือยกเสียบปลั๊กที่ไหนชาร์จแบตเตอรี่ที่ไหนไฟฟ้าบ้านฉันไหมชาวเขาเนี่ยกินข้าวแล้วเข้าห้องน้าที่ไหนใช้บ้านฉันไหมเงียแค่เนี้ยังไม่หมด่ะทั้งหมดเนี่ยสามพันเพื่อโอ้โหชาวเขาสะเดือนใจมากในเมื่อต่อรองไม่สำเร็จ พราะเจอคุณนายเฉลิจักรก็เลยไม่เยียบๆกันมีลูกจ้างสาวาคนหนึ่งแฉ่คุณนายมากเขาเป็นหัวหบอกในการประท้วงตอนเราขึ้นเงินเดืนไม่ได้เลยเช่งคุณนายเช่งชักชักกระโดดทํางานตัดกวาดเช็ดถูทุกวันล้างด้วยหลังใจก็ัเช่งคุณนายตายแน่ถูไปก็คุณนายตายแน่กวาดไปก็คุณนายตายแน่คุณนายมีนกแก้วอยู่หนึ่ง แฟนไว้เออที่ใช่กานตัดไปก่าไปก็ใช่คุณนายคุณนายตายแม่คุณนายตายแม่เอาอะไดีคุณนายกะนกก็ได้ยินนกมันก็พูดตามคุณนายตายแม่คุณนายตายแน่วันหนึ่งคุณนายไปเก็บดอกไม้หยิบโอเลียนขึ้นมามันนัจิ้ก็ใกล้ใช้ทา่าเนีย่ยลังจะเปิดทีวีดูละครเป็นวันอนนั่งแทะลงไป นัุ๊บลงไปเท่านั้นเงรอบมัเห็นคนมันก็พุ่งขึ้นมาคุณนายทายนี่กเห็นไม่ออกแกว่าไงนะเองแก่คุณนายทายนี่โอ้โหคุณนายชอ็อกเศรษฐายมาฉันเลี้ยงแกเลยให้ข้าให้น้ำ แ, แกเลแกยแล้แกพูดกึงฉันแบบนี้เหรอคุณนายทายแน่โอ้โหคุณนายเครื่องถึงอะไรเลยไม่กลงไม่กินละส่ ว, สวย ที่ยั่งสังกัรนันไปที่วัดตันจักรยานไปที่วัดพอไปถึงวัดหมายจะไปทำบุญหลังสวย<ม>เจอหลวงพ่อกำลังเทพพอเดิวันนั<ม>้นคนก็เต้นสาลาบแบบนี้นพอคุณนายไปถึงเด็หลวงพ่อเทพท้ายสุดละหลวงพ่อก็มีน้องขุดโจอยู่เหมืกันมาอยู่ที่สาราเหมาอกันก็สรงหลวงพ่อเทพทุกวันแล้วก็เลี้ยงแต่เหมือนพอหลวงพ่อคนนายไปถึงหลวงพ่อเพทอ พ, เพจบ อัตมาภาพแสดงธรรมก็โหสุดเกลี เ, กเวลาในวันก็มีนักประการนักชนี้โยมทั้งหลายก็สาธุอ่ะพร้อมกันสิสาธุานกแก้วก็สาธุาคุณนายไปห็นปุ๊บเห็นนกแก้วสาธุโอ้โหนี่มันนกนักตราบปฏิสสาธุทุกคำเลยนี่สิน่นกชนีมันก็อย่างนี้ ไมายหมายตาโนกละอืออือรอให้โยมกลับกับคราญไม่หายหลวงพ่อถาวายสังฆทานหลวงพ่อเจ้าครับโยมเขายืนโนกหลวงพ่อได้ไหมเอาไปทําไมคุณนอะ้โนกหลวงพ่อเป็นโนกนักขินนักบุญอยู่มัดอยวากับหลวงพ่อโยมเห็นนกหลวงพ่อพูดเพราะหลือเกิดจะทุกทุกทำจะยืมนกหลวงพ่อไปไว้ที่บา้านเอาไปทําไม นกที่บ้านโยมมันเป็นนกไดการศึกษาผาหมาจมาผามข่ายโยมจะขอเอานหลวงพ่อเนี่ยแหละไปถอนมันหน่อยนหลวงพอ่อเป็นนกนักการาบบราชบัตมีสิทมีธรรมขอยืมสักอาทิตย์หนึ่งนะเจ้าค่ะหงพ่อหลวงพ่อเป็นกระร้าของทานนะเออโยมันจะไหวนกกอะดมาเหมือนก็แข่แล้วนะนึกของคิดดูก่อน หลวงพ่อจะไม่ให้ยืนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าออกภาษานี้กะถิบอาจจะไม่มีนะคะเต่าเราเมยล่ะการโชคหลวงพ่อละจะพ อ, อน้ำเต็มหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเอองั้นคุณนายเอาไปเลยอนุญาตอนุญาตอนุญาตญาตาเราเสร็จ ย, ยิ้มมีความสุขเที่ยวกรงนกแก้หลวงพ่อไปไปที่บ้านเลยพอไปถึงปุ๊บเอาไปแขวนแขวนไว้ใกล้ๆกันนิ้นึ ระหว่างที่แขวนก็สั่งว่าไอ้แก้ไอ้ไอ้ชาตินกไอ้ชาติหมามึงจะเป็นนกมาให้การศึกษานี่เอาเพื่อนมาให้ละจากนี้เป็นตั้งแต่นี้แกต้องฟังนกหลวงพ่อนกหลวงพ่อเป็นนักจิตนักบุญเป็นนักปราชญาบัณฑิตนกฟังธรรมสุวนแกเนี่ยปากเสียฉันให้เข้าให้น้ํายังมาด่าฉันจากนี้เป็นตั้งไป่แกฟังให้ดีไง นกหลวงพ่อพูดอะไรให้เตมพูดถามเอาละอยู่ใกล้กันนะลูกแมวนเสร็จก็จะนั่งลงจิตอเลี้ยงท่นใดแล้วนกคุณใดก็พุ่งขึ้นมาค่ะหนคุณใดตายแน่ลูหลวงพ่อก็สาธุคุณนายช็อกมาตายแกว่าอะไรนกคุณใดก็ซักอีกดอกหนึ่งคุณใดตายแน่ นงหลวงพ่อโอ้โหจะเทือนใจคนเลท่านได้ไหนเองคุณนายก็ไปกดตรงนกหลวงพ่อเขียงลงบันไดใอ้อสองกองนกจิ้งดรุหร ล, ลงบันไดไปพร้องกันเลยเห็นไม่ทันถึงตอนายคุณนายเพียววัดอีกรอบหนึ่เทียวกรงโหลวงพ่อไเอ้าทำไมเอามือซื้เร็วนักล่ะหลวงพ่อ แล้หลวงพ่อก็บาพ้อกันใช่เรื่องนี้เป็นเจติี่ดีมากเจอตัอ้งแต่ไปชิดเลยถ้าเกิดมาแล้วเราเป็นคนตัวหนึทีเดียวนี่มันอายนกไหมอย่าให้นกต้องลงเือรนะ์เพื่อท่านนกเออรู้ในคนมันต้องรู้ใช่ไหมฉะนั้นเราเกิดมาเป็นคนหนึ่งเราเลือกได้ จะให้โลกจดจําเราในแบบไหนจะนี้โลกจดจําเราในฐานะจอมเ็นเกตัวหนี่จะให้โลกจดจําเราในฐานะนักิื่มนักบุญผู้ให้เราเลือกไน้พระโยม <c oughs> เห็นกตัวจนลงยึดลยว่าแมวที่บ้านจะพูดกับโยมบ้างไงแมวที่บ้านหมาที่บ้าน ไม่ได้แนละ้วปรมานจะมีรู้สึกคนหนึ่งเวลากิงโุ๊กตามก่ย่างเนะี่ยมาร้องไห้ยนะมานั่งเั้าจะดูไม่เหลือสตกอางมาร้องไหเลยครับเนื้อที่ติดไม้นะตีนั่นแหะแฉ่จิบเอาคัตเตอร์เลาเอาไม่เหอะไรเลยมานั่งร้องไห้ชาวบงเข้าไม่เหลือเทาไร่เลยหนอยจิฉะนั้นอย่าเห็นแก่ตัว เต็มผู้ให้เรต้องเต็มผู้ให้ในครั้งพุทธกาลหนมีพระรูปหนึ่ง เ, เป็นพระที่มีลาภมากเวลาไปไหนนะถ้าไปทางกันดารพระพุทธเจ้าจะถามว่าสิมบลีมาไหมพระสิมบลีพ่อขาแม่ขาในปูชาพระสิบบลีใช่ไหมพุทธเจ้าไปทางกันดารไปกลเลยกลันะวจะไม่มีคนตัดอัดพุทธเจ้าจะถามว่าอานนท์บันนี้สิมบลีมาไหม ถ้าพระสิวลีมาพุทธเจ้าก็บอกว่าเออสภปดาทำไมเราได้พระสิวลีไปไหนคนจะแห่ามาตักบาท่านท่นทนานบำเพ็ญมาทำนี้ขณะพระพุทธเจ้าเองก็คืบารมีลึกสุดนะั้นพุทธเจ้านี่ยัำเพ็ญมาทงางปัญญาปัญญาไม่มีอะไปเพียงแต่เรื่องรายสกการะในสู้พระสิวลีไม่ได้แล้วพระสิวลีนี่คนสักก า, าระคนทำบุญทาทานแต่ทำเยอะจริง ทำไมเป็นอย่างนั้นว่ากันว่าในชาติหนึ่งพระศิวลีเกิดเป็นคนทุกข์คนยากวันหนึ่งเดินทางจากชนบทเข้าเมืองไปเจอชาวบ้านเตรียมตัวตักบาทแล้วก็ถามว่าเอ๊เขาเตรียมเนื้เตรียมตัวตั้นรับใครตดวที่ปักทงนะทํำถนนหนทางไว้อย่างดีเลยชาวบ้านก็บอกว่าอ๋อพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าจะมาอืชายหนุ่มบ้านที่พระศิวลีในีนะเขาจะบอกว่า โอเราไม่มีอะไรติดตักบาดเลยติดตัวประมานี้แต่รวมพึ่งรวงเดียวเท่า น, นั้นก็จุดเตรียมรวมพึ่ง น, นั้นตักบาดพระผู้เปเจ้าแล้วในบรรดาของตักบาด ท, ทั้งหมดของชาวบ้านชาวเมือง น, นั้นทุกอย่างมไม่มดไม่มีรวงพึ่งและน้ำเพนมีที่แต่อาชายนายยาจบคนนี้คนเดียวฉะนั้นใครมาขอต่อรอมาขอซื้อเทากคนไม่ยอมขายต้างบอกว่าสกปรกสิ่งเดียวที่พระเจ้ามีคือรวงพึ่นนี้ วันรุ่งขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้ามาเนี่ยก็เอาเง่นครึ่งนั้นตักบาทแล้วก็อธิษฐาอนอธิษฐานตั้นมากสาธุชาติหนะ้าเกิดมาฉันใดจะได้ยิยนคำบาปไม่มีไง่ายไหมไม่เหมือนพวกเราพวกเราก้มครึ่งชั่วโมงใส่20บาทขอทุกอย่างไรลกูกอะไรที่วมาดีๆไล่มาหมดเลยเอามุกทุกอย่าง บางครั้พระอยากจะแกะสองจอดนานทำไมอาริษฐานนานจังเลยคนมีปัญญาอาิษฐานไม่นานหรอกแต่อาริษฐานท่าได้เก่งในทีเดียวพออยากให้เจอคําว่าไม่อมีแค่นี้ก็พอแล้วเกินมาชาติหนี่งโอ้โหติดขาดอะไรมีคนช่วยทั้งหมดนี่ก็ผลของการให้อีกคน น, นึงนางฤาษีขามหาบาศิการวยมาก เป็นไฮโซเป็ดเซลล์สมัยพุทธกาลทางวิทยาศาได้เน่หมือนชุ่มพาันิุ์นี้เลยไม่ได้ทำอะไรหลังวันปันจะตัดยุทธินีนดเด่เลยเออเป็นเกียรติให้แก่งานแล้วก็ให้คนมาเซลฟี่ทางวิศยาศาสารทำผลเท่าไหร่ก็ไม่หมดอีกว่ากันว่าที่รวยอย่างนี้ที่มั่งค้าอย่างนี้ก็เพราะว่าในชาติอ่นนั้นนำเปตัดบาดพระปเจนและพระพุทธเจ้า หลายหลายเรื่อง่ออกจากนี้เราพระจะมาบัตใหม่ใม่แล้วพอตักตักพระบอกว่าพอแล้วพอแล้วเธอก็บอกยังเจออะไรยังมีอีกต้ใส่เข้าไปยังมีอีกต้อใส่เข้าไปพระบอกว่าพอแล้วเธอก็เติม เ, เติม เ, เติมอันนี้ก็เรียกว่าบุญเติมเติมก็ไปเลย่ลยๆเลยเหลือกินเหลือใช่หไหมเกิดมาชาตินี้ทําบุญทำบทำารมีก็ไปหมดไปสิ่งปรากฏว่า ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ก็ยิ่งแบ่งปันนะนยทัศนีเหมือนทางวิสาหานะยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบนะ่งปันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวละ่ะนี่เป็นสเสน่ห์อย่างนึ้งยกอย่างในเสน่ให้ทานนะถ้ทาถ้ามาโรเบียทิผู้ให้ยกเป็นที่รั ก, กให้เถิดยมจะเป็นที่รักของมนุษย์แล้วเทวดาคุณโบราณต้จิตเตือนว่นบาบริวารมากพระนามเจนี บริวารมีบริวารมีเพราะ น, น้ำใจหดบริวารบดเพราะน้ำใจเห้งบริวารแหงเพราะน้ำใจหา ย, าหนนหายมีแค่ไหนถ้าเราไม่ให้บริวารก็ไมา่มานะแต่มีร้อยสองร้อยแต่เราแจกออกไปบริวารมาเรืยเลยอาจารย์ของธรรมาเป็ท่านพุทธชนท่านบอกว่าถ้าเดินไปขนมอยู่ชิ้นนึงรากินคนเดียวนะถืออีกคนเดียวแต่ถ้าเดินถดแบ่งให้เพื่อนนะอกในใจใ้เพือ่อกนกะิจกรแล้วทีเดียวจริงเลยจีนี่ คนบูราณนันก็สอนมาพริกบ้นเหนือเกลือกบ้านาใช่ไหมเพราะแบ่งไฟเนี่ยไม่หายหรอกอรฉะนั้นก็ยอมอยากมีสม บ, บัติจักรพรรดิยบลองแบ่งดูนะเวลามีของอร่อยๆเราแบ่งให้เพื่อนและยอมจิ้เห็นม่กมันไม่หายที่เบสก็มีสิภาษิต อ, อ, อยู่บทหนึ่งว่าถ้าเรามีน้ำหยดหยดหนึ่งหากเราไม่อยากให้น้ำนั้นเหยือนให้ไปตามกาลเวลาทำอย่างไร แล้วก็ตอว่าปล่อยใ้น้ำนั้นไหลไปรวม ก, กับน้ําในมหาสมสุทรพอแล้วมันไหลไปรวม ก, กับน้ํำในมหาสมุทรแล้วมันจะกลายเป็นน้ําในมหาสมุทรแยกไม่ออกว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเห็นไหมถ้าเราให้ออกไปสิ่งของซึ่งหลดจากเมืององเราไปนั้นจะกลายเป็นสิ่งของซึ่ง ก, กินกันไม่หมดไม่สิ้นไม่จบยิ่งใชย้ยิ่งเพิ่มยิ่งให้ยิ่งเข้าไปเกลียดกุ แตเรามีของดีของแก็ดเงนเพชรเหมือนทองเก็วไว้คนเดียวเนยมันอยู่ที่เราคนเดียวท่นานำไมแต่พอเราให้ออกไปเมันมาหมดนนมันจะมาพัดสะสดงความทุกวันนะวันหนึ่งหลายรอบออกซิงเกิลเพลิงหนึ่งเยอะกว่านักร้องที่ว่าฮิทที่สุดเนาอเอฟจุกไว้พี่เบิร์่วไม่ได้หรอกอันนี้สองสาปีออกแค่ครั้งหนึ่งจากคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหนึ่งมันจะมานีนมีทุกวันคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเยอะ ทีหนึ่งออกทีดี50แผ่น50เรื่องแล้วที่เทปทิยย้งไว้ยังเมื่อเคยเอามาตัดต่อยไม่รู้เท่าไหร่แล้วทำไมพูดสเสมอคว่าที่เทปเทปมาทั้งหมดใครอยากคัฟฟี่นะครับยิ่งแจกดียิ่งมีคนดีเพิ่มขึ้นฉะนั้นเ ท, เ ท, าานนเทปถีดีดีเถื่อนเขาจมายุ่งเรื่องเปตลอดไพอมีคนได้รับประโยชน์ก็จะกลับไปตามมือเหมือนเขาดื่มน้ําที่ปลายน้ำ ก, ก็อยากไปเห็ุ้นต้นนะ้ำคนก็ตามไปสมเสมอเมื่อวันก่อนมีคนมาฟ้องา ม, มาา พระานารยที่ฟังพาม่าเนี่ยโอ้โหซีดีพระอาจารย์มันมีครบทุกชุดเลยที่ไรจันตะวันยังไม่มีเลยนะทุกบุดขายกันโอ้โหขายดีมากขายดีที่วุดหนังเกเป็นร้านเป็นร้านขายนงก็ดีทั้งหมดใทั้งโลกเลยแล้วโยก็มาบอกว่าเี่มาที่นี่ได้แผงสแไปที่นั่นทุกโอ้โหทุกซีดีของพระอาจารย์พระอาารย์ทไมไม่สอกเขารวยอเห็นเลยนะอาจาบอกว่าโยม อาตมาไม่มีปัญญาก็ปิดแจกตัวไปด้ให้เขาทำเชไมช่วยอาตมานั้นน่ะเอาเรื่องเงินหรืพระอาจารย์ผมเชือ่ออเตมาเถอะมีคนรวยไม่กี่คนแต่จะมีคนได้ปัญญาน ล, ล้านคนในโลกนี้นฉะนั้นให้เขาทาไปเถอดอาตมาไม่เส ด, ด้เงินหรอเสีดายทำไมอาตมาออกกระวไม่อาตมาไม่อาเงินอยู่แล้วนะถ้าเอาเงินก็อยู่ที่บ้านสีออกกวก็กาวไม่เอาอะไรแล้วในชะ่ฉะนั้นรวมไปทุกวงเราใช่ไหย ออกวันนี้ ก, ก า, าศทิ้งแล้วนะคั้าลำหน้าเนี่ยเราก็สบายใจในหัวใจเราก็ปลอดภูมิโรคเบาอะไรมาเราไม่ให้ใ ห, ให้เห็นไมนี่คือชีวิตของกันให้แล้วเชื่อเติดไม่หายหรอกอัตามาไปต่างประเทศทุกปีเนี่ยท่องไปทั่วโลกกว่าห้าสิบประเทศนะทําได้ไปได้ยังไงสตังค์กันไปนี้คำตอบคือใครก็ตามที่ได้ตังเทศเราจากมิถุนาย จากซีดีธรรมะบรรยายพอฟังแล้วมันเตืยนชีวิตเขาเขาคิดถึงพระพุทธคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงเราทิ่เป็นสะพานธรรมะแล้วก็ตามมากราบเราตามมาไหวเราเห็นไหมถ้าเราหวัวแบบอย่างโยมก็ไปอยธรรมะธารมะ<อ>ไม่มีใครไว ห, รหวตนะ่อมาเราด้วยใช่ไหมเขาจะมองเราเป็นพ่อค้าปะอรรมาไม่ไม่เคาอย่างนี้เลย ปีนี้แล้วยมหาธมมาเอาถังสังฆทานมาถวายจูๆก็ยกมาถวายมาจากยุโรปอาตมาก็รับครับก็ต้องกลัวมันหนักมากยมทำไมมันหนักตรงนี้ก็บอกว่าเพระอาจารย์ก็เปิดดูสิครับเปิดดูโอ้เจอข้าวสารยมทำไมข้าวสาเยีนข้าวสารางพระอาจารย์ดูนี่ยทนดูเปิดดมเปิดทเลยเขบอก เออไมา่ปืนมันถวายแล้วกันทำไมพัะฉันไม่ได้กนะ็บอกว่าปืนนี่แหละโยมจะใช้ยิงสามีจะใช้ยิง ส, ส, สามีเพราะสามีน่าใจสามีมีเธออยู่แล้วคนหนยังไม่พอยังไปมีกิ๊กยังไปมีกาม้าวอีกยัไปมีคลิปอีกไลน์หนึ่งกิ๊กการคลิปเจะคลิปว่า พิกก็คือคนดืร้รวยมากๆแล้วแอบชงเสียโนโนไว้เดี๋ไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนึ่แต่ช่องไว้ขำๆเอาไว้คันในหวัวใจเอาไว้สนส่งไลน์คุยกันอันนี้เรียกว่าพิกหนะงร้ายกว่ากิคหนึ่งพิกมาจากสัตจ์นนตัวน่งทั้มนพิกบวกควักบกวบกวบควก <c oughs> <c oughs> ายเป็นพิคและทำไม่มมมยิงใหญ่ทให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมาก เธอบอกว่าฉันอยู่ถึงเมืองไทยก็มาขอฉันเอาฉันไปอยู่ยุโรคภาษาเขาฉันก็พูดไม่น่ห้ก็ะาวาจะปากสีปากไข่มาเฮี้วฉันไปอยู่ที่นอ้น้นสองเองตกกระเป๋าลื่นไปเลยไปคบอีกคนคบต่อหน้าต่อตาให้เห็นด้วยกธอบอกมันเป็นเสียงอีพเธอจะอะไฉันก็ให้เธอทุกอย่างแล้วเน่ยบ้านเธ อ, อยู่นอกเธอจะมีเพื่อจะอะไรโอเค แข็งมากๆมันหนึ่งเมื่อสามีทำเหตุเธอรับเงินได้โทรมาเราให้จนค่าโทรศัพท์หมดตัวแสนก็ตัดสิทใจพอสามีเขาา้ามาเอาปืนไปจ่ อ, อ, จ, อจะลั่นไกใจก่อนจะลั่นไจเธก็คิดขึ้นมาได้ไหมพอเรายินเขาเดี๋ยวเราก็ไป็ น, นะไปนนักตรจรณะไปกราบพระก่อนเลยก่อนไปกราบพระไปที่ห้องพระไปกราบพระ พรเดินผ่านห้องพระก็ไปเจอห้องลูกลูกคุณธรรมแล้วลูกติดจำเรียนซึ่งเป็นเด็กที่นี้สัยใจคอดีมากภาษาไทยดีมากเพราะว่าเธอสอนก็เปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้อืเธอก็เห็นไฟเปิดก็ผลักประตูห้องเขาปลูกก็หลับหลับคาหรือฟังหลับหลับคาหูฟังอืมลูกติดจำเรียนเรียนภาษาไทยกับเธอเธอเป็นคนสอน เราจะบอกอู้ได็กคนนี้มันอะไรเนี่ยมันหลับมันก็ไม่ทอนหูฟังเราก็ไปถอนหูฟังของลูกแล้วก็อยากรู้วลูกมันฟังอะเอาเสียบ ห, หูก็เสียบหูปุ๊บอุนเป็นธรรมะที่ธรรมเทศผ่านทางยูทูบลูกก็ปีใจไ iP อพอตไอเปกหมดเลยเพราะเอาไว้เรียนภาษาไทยมันก็เป็นเรื่องที่ซึ่งคนมันยังไม่ถือคาดนะโยมนะอาตมาเชื่ออย่างนี้นะคนยังไม่ถือคาดยังไม่ถือคาดเราก็เอามาเสียบหูแล้วมันตรงเป๊ะพอดี อาตมาก็จาได้วัดในเทนไว้นานมากแล้วว่าคนเราเกิดมานั้นไม่ต้องข่าโดนตายหรอกหมานางตันไม่เียกิกยานอนหลับเลยแมวก็มไม่เคยข่าโดนตายลเลยเกิดมาการพิจารณากไ ม, มไม่ไดมันจะถูกรอดกันทุกตัวแล้วเราเป็นคนทุกข์แหนต้องไปฆ่าโดนตายมันก็ต่ำกว่าหมากว่าแล้วะอาตมาก็เทพไว้ประมาณได้เจอได้ฟังเ่อรู้หรือเป่านี่เราแยกกับแ ม, มแวหรือแยกกับหมาหรือ ก็เลยได้คิดแล้วก็ยืนฟังต่อไปจนไปถึงท่าที่ว่าคนกล้าตัวตายเท่ากับปฏิเสธความเป็นมนุษย์จิตจะตกต่ําต้อยถอยหลังไปนับแสนนับล้านชาติพบ ก, กว่าจะพัฒนาขึ้นมาในร่างมนุษย์ย่อมรอไปเพิ่นับแสนนับล้านชาติพบถ้าใครทําอย่างนั้นเรียกตัวไปเกิดเป็นศิษย์สาราัสได้เลยหลานขติพอได้ฟังไปเลยนึกตาไปเรร่วมอืม กลับมาเบปนก้มลงกราบสามีขอก็รมาราพลดขอให้ก้มลงกราบสามีเลยสามีเติมสามีก็ถามว่าู่ทอะไรกรากรับฉันทำไมขอโทษขอโทษทำไมเอาปืนให้ดูนี่สามีสะดุ้งอะไรเมื่อกี้เลยเกือบยิงแกแล้วแล้วทำไมคุไม่ยิน อืมจะคิดได้แล้วฉันไม่ยิงละจากนี้ไป้วฉันจะบอกให้เธอจะไปกุกกิกจากใครคนไหนก็แล้วแต่เนี่สามีอยงเธอนี่ยฉันถวายเป็นสังกทานเป็นของสดลมเธอจะกินจะใช้เอาไปเลยเห็นไหมอืมแล้วก็รอตายรอตายอ่ะนั่แหละไอ้นี่ปืนพกที่ไปซื้อมาแล้วไปฝูกยิงกัน เอากลับเมืองไทยทําเรื่องทำราวขอเอามาเมาืองไทเอามาพระวันธรรมะบอกให้ธรามะอาจารย์เก็บไว้เถอะเผื่อจะมีประโยชน์เราเก็บไว้เถอะมันจะมีประโยชน์ยังไงเพื่อบอกว่ามันเป็นอนุสรว่าชีวิตเธอเปลี่ยนตรงนี้ชีวิตเปลี่ยนตรงนี้ธรรมาบอกว่าโยมเออชีวิตโยมเปลี่ยนเพราะไอ้ขวัลูกชายไม่ใช่หรอ ทำไมไม่เอานั้นมาถวายป้ า, า จ, จะได้ใช้บ้างใช่ไหมตอนนี้เอามาทําไมเนี่ยไม่มีประโยชน์เห็นไหมนักธรรมาเกียวอย่างนี้เยอะมากนะคนที่เปลี่ยนเพราะธรรมะแล้วก็มาปฏิญาณตนตัณหพุธ ม, มาปฏิญาณตนเปน็นมรรคผลเพราะเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนแล้วคนเหล่านี้ ไมได้รับประโยชน์จาธรรมะถ้าอยู่ตามประเทศก็ น, นนิมนต์เราไปที่เราให้ธรรมะออไปมันกลายเป็นตัวขึ้นเป็นเห็นไหมมันแปลร่างเป็นตัวพุ่งเป็นมันแปลร่างเป็นโอกาสมันแปลร่างเป็นสิทธิพิเศษทําให้เราได้ท่องไปทั่วโลกแต่ถ้าเรารู้วนธรรมะแล้วเราหวงยิ่งหวงยิ่งหายยิ่งใหย้ยิ่งหอมคุณมีดีแล้วหวงดีไว้มันจะหายไปจากคุณ สมมติบ้านนี้มีสูตรขนมโบราณ น, นะไม่ต่อใครเลยทํากินกั น, นเลยครอบครววันนคนในครอบครัวที่ตายหมดสูตเจ้ากุฏิจะหายเลยใช่แต่ถ้าเราแบ่งออกไปออกไปมาไปมันจะกลายเป็นสมบัติของพันดินนี่แหละเรามีคุณเงินความดีมีความรู้มีความคิดมีโอกาสมีปัญญามีเงินมีทองมีชื่อมีเสียงเดินไปออกไปเถิดไม่หายไม่สูญ กรณีที่เราทำแั้วจะเป็นลำหนึ่งรยจารึกบนแผ่นศีล า, าองฝนแดดตกลก็ไม่เลือนฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ฝากพวกเราทุกคนบำเพ็นตนเป็นบุนคคล่างานให้อยู่ที่ไหนใครๆก็รุ้มรักจําเรื่องราว เ, เ, เหล่านี้มาใหดีนะให้ออกไปเถิดไม่มีคำว่าศูนย์อกยิ่งห ง, งตัางหากยิ่ยิ่หาย ยิ่งให้ต่างหากิ่งหอมแล้วถ้าเกิดเป็นคนรวยก็ใถือกติที่รวยจงยิ่งให้ยิ่งได้จงยิ่งเต็มปันหรือทาตามผู้ตีหลวงทุกคนยิ่งเอามันที่รวยยิ่งให้ทั้งหมดมันยิ่งได้วันนี้เช่นนั้นก็เอาผู้ตีครูบาติวิชัยถ้าเราเป็นคนรุ่นใหม่ความจำสั้นเอาง่ายๆครูบาติวิชัยนะให้เท่ากับได้ให้เท่ากับได้ฝั่งคุณหมอเอาไปเสียงต่อด้วย นะให้เท่ากับได้เห็นไหมฉะนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ขอฝากที่เร า, เราทุกคนวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้เราปรารถนว่าเราจะเป็นผู้ให้เราร่วมสร้างอาคารที่วัดพระอาจารย์พระมหาปราโมสร้างห้องสมุดสร้างกุศกลช่วยไหมลเยอะแยะมากมายแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอหลายท่าน ก็จะร้อสร้างห้องรับรองผู้ปฏิบัติธรรมที่ไร่เชิงตะวันของอาตมาภาพด้วยทั้งหมดนี้คือปฏิปทาของการให้อาตมาภาพจึงอานำเรื่องอานนิสุขการให้มาเล่าให้ฟังก็ขอฝากทุกท่านทุกคนให้ความเห็นตจเป็นตัวแทนการให้และให้มีความสุขให้มีความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอินสาธุขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วิทยชัยและเชื้อพรีนะครับ ก็ที่ได้มีสามาแสดงธรรมแล้วก็เมตตากับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้นะครั บ, <ค>บในโอกาสนี้นะครับเรา่อต่อไปผมขอขอขอนุญาต